พุทโธสัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกนะคะในรายการสันสนีสนทนามาพบกันวันดีเลยเป็นวันที่เรากําลังจะร่วม ก, กันกับคนทั้งโลกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รายการเราเป็นรายการที่ทําให้รู้จักคําสอนของพระพุทธองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นดังนั้นวันนี้เราคงจะไม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบคนอื่นนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบของพระพุทธเจ้าว่าถ้าทรงปรารภธรรมในโอกาสส่งท้ายปีเก่าเนี่ยท่านจะปรารภอะไรหรือชาวพุทธเราควรที่จะระลึกถึงธรรมข้อใดบ้างเราก็เริ่มต้นอย่างเช่นเคยนะคะไปกราบนมัสการพระสงฆ์ที่ได้ให้ธรรมะ ก, กับเราในรายการนี้ คือพระมหาภัยบุญอภิปุโนแล้วก็ให้ท่านนำพวกเราทุกคนปฏิบัติธรรมร่วมกันซะก่อนนะคะกราบน้นทักษการกันท่านคะเจริญพรในช่วงการส่งท้ายปีเก่าก็เริ่มโดยการปฏิบัติธรรมกันสักนิดหนึ่งโดยให้ท่านทั้งหลายมามีสติระลึกถึงลมหายใจการตั้งสตินั้นเพื่อให้จิตของเราไม่ไปเอ็เอียงวิ่งเข้าหาในสิ่งที่น่าพอใจ ไม่ไปเคลียข์ขย้ขยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจการตั้งสตินั้นก็คือให้เรามาใช้เครื่องมือคือลมหายใจของเราเรามาระลึกนึกถึงลงมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกคำวมสตินั้นคือหมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่กระทําจําคําที่พูดแล้วแม้หนานได้ในที่นี้ก็คือระลึกถึงลงมหายใจของเราระลึกไว้แล้วจิตของเราที่ตั้งอยู่อย่างนี้ อาจจะมีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาเป็นเรื่องที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างจิตเราก็จะไม่ไปมีความลำเอียงไปมีอคติลักษณะจิตที่เป็นแบบนี้สามารถที่จะเห็นตามที่มันเป็นได้ว่าความคิดเรื่องราวหรือว่าสิ่งใดๆที่เรารับ ร, รู้รับทราบผ่านมาแล้วหรือวางแผนในอนาคตก็ตามว่าจริงๆแล้วตามเนื้อผ้านั้นมันเป็นอย่างไรตรงนี้จะเป็นข้อที่ดี ที่เวลาที่เราจะมาทบทวนในรอบปีที่ผ่านมาด้วยโดยการให้เราตั้งสติว่าอย่างนี้ลองนึกทบทวนดูในตามนัยยะของสัมมาวายามะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดที่ไม่ดีที่เราเคยมีมาสิ่งนั้นมีอยู่หรือไม่เราจะละมันได้อย่างไรสิ่งใดที่มันไม่ดีที่เราได้ละไปแล้ว ที่ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้รับไปแล้วนี้เราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้มันกลับมาอีกให้เรามาตั้งสติระลึกถึงสิ่งดีๆที่เราคิดว่าเราจะทำที่เรายังไม่ได้ทำาตพยายามทาเช่นบางคนอาจะจะตื่นเช้า บ, บ้างรับประทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพบ้างออกกำลังกายบ้างหรือทำในการนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นรูปแบบบ้างไปคอร์สไปปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆที่ไหนที่มันจะดี เรามาพิจารณาดูว่าเราจะทำมันเกิดขึ้นได้ตรงไหนแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วจะเป็นความมีเมตตากรุณาความรู้จักการให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการพูดดีคิดดีอยู่เป็นประจำสิ่งที่เป็นดีๆต่างๆเหล่านี้เราตั้งสติเอาไว้ดูให้ดีว่าเราจะเพิ่มขึ้นทาการพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้มีความไพ่บุ์ความเจริญขึ้นได้อย่างไร สตินี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เราเห็นแง่มุมในทั้งความไม่ดีที่เราจะต้องละมันออกไปแต่ในแง่มุมความดีที่เราจะต้องทําเพิ่มขึ้นมาเนี่เห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้จากการที่เรามีสติตั้งอาไว้ซึ่งการที่เรามีสติตั้งไว้อยู่อย่างนี้โดยการใจลมาใจของเราเป็นเครื่องมือพิจารณาเห็นทั้งความดีความไม่ดีต่างๆที่อยู่ในใจใจของเราเนี่สามารถที่จะทําได้ในตลอดทั้งวันไม่ใช่จําเป็นเฉพาะทําในเวลาที่ต้องมานั่งสมาธิเท่านั้น เราจะกับรถอยู่จะดูหนังคุยกับใครกินอาหารหรือว่าเดินทางไปไหนสามารถที่จะตั้งสตินี้เอาไปได้อยู่ตลอดเวลาเลยเีริญพอนสาธุค่ะก็ว่ากันด้วยเรื่องการเจริญสติซึ่งเป็นเรื่องหลักของในช่วงตอนต้นของรายการเพราะว่าเป็นการฝึกที่จะเจริญสติได้อย่างไรให้สติตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรไคะ่ะแล้วก็ในส่วนของ วันส่งท้ายปีเก่าแล้วค่ะท่านที่ได้เกริ่นนาไว้ในตอนต้นของรายการว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เรามีพระสง์ที่ได้รู้ธรรมจะมาบอกธรรมะกับเราเนี่ยเราควรที่จะระลึกทำข้อใดบ้างนะคะในปีที่กําลังจะผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน ะ, ะ่ยค่ะอันดับแรกคืออย่างที่เรามาพูดไปเมื่อสักครูว่าเราต้องตั้งสติขึ้นไว้ก่อน แต่ตั้งสติขึ้นไว้ก่อนสตินี่ไม่ใช่จำเป็นมีเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่านะคื อ, ต, อ, อต้องมีทุกวันอยู่ละต้องมีทุกวันอยู่ละแล้วสิ่งที่เราจะต้องควรจะมาทบทวนนั่นก็คือในรอบจะเป็นรอบปีรอบสามเดือนรอบสิบสองเดือนอะไรที่ผ่านมาก็ตามถ้าเราจะมาทำการทบทวนบางคนจะประเมินผลอะไรเป็นควอเตอร์เป็นทุกสามเดือนใช่ไหมค่ะหรือบางคนก็เป็นรอบสิบเดือนก็ว่ากันไปแต่ว่าในรอบหนึ่งที่มันผ่านมาเนี่ย รอบหนึ่งที่มันผ่านมาเนี่ยเรามีความดีหรือความไม่ดีมากขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะมากขึ้นหรือลดลงอย่างไรเริ่มจากส่วนที่มันไม่ดีก่อนสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยตามในยะของสมาวายามะเลยแต่นะว่าอกุศลธรรมอะไรที่เรายังมีอยู่ในะที่เรายังมีอยู่เราดูสิในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมายังมีอยู่ไหมในใสายความขี้เกียจความมักง่ายไม่ขยนันอะไรพวกนี้มีอยู่หรือไม่อย่างไรนะเราดู จดวอาไว้ส่วนอันไหนอันที่2นี่คือลิสต์ที่1นึ่งนะรายการที่2คือไอความไม่ดีอะไรที่เราละไปได้แล้วอะไรที่เราละไปได้แล้วอันนี้เราควรจะต้องป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้อีกเช่นบางคนสามารถที่จะควบคุมอาหารได้แล้วไม่ไปกินตามใจปากมากเกินไปเอางี้คุมดีๆนะเพราะนิสัยนี้มันดีแต่นิสัยมัน ก, <c oughs> ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันรหรือบางคน ชอบในการที่จะออกกําลังกายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วทําจนเป็นนิสัยแล้วเออเ น, นี่มันดีแต่ก็อย่าให้นิสัยนี้มันมันหายไปอันนี้คืออันที่สองว่าความไม่ดีอะไรที่เราได้เลิกทําไปแล้วอันนี้ก็ต้องป้องกันอย่าให้มันกลับมาอีก <c oughs> แต่ในข้อที่สามและข้อที่สี่เป็นเรื่องของความดีเป็นกุศลแลธรรมแต่โดยในข้อที่สามเนี่ยพูดถึงดูซิว่าไอ้ความดีอะไรที่เราคิดว่าเราจะทำํำเป็นนิสัย หรือว่าเป็นการปฏิบัติทางกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นเรื่องในทางที่ดีที่เรายังไม่มีเช่นบางคนจะฝึกนิสัยในการที่จะทําเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยแต่ว่าตัวเองยังไม่เคยมีใช่ไหมฉัน จ, จะฝึกนิสัยนี้อาจะฝึกอย่างไรก็วางแผนว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็ในข้อที่สี่คือนิสัยอะไรดีที่เรามีอยู่แล้ ว, ลวเราจะทําให้มันเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นได้อย่างไร จะบางคนมีนิสัยในการที่จะนั่งสมาธิลุกขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าก็นั่งสมาธิเลยนะทําได้ห้านาทีสินาทีเอาดีแล้วจะทํายังไงใ ห, ให้มันดียิ่งขึ้นน้อกจากทําให้ดียิ่งขึ้นแล้วดีทั้งในเรื่องเวลาที่เพิ่มขึ้นถ้ามันเพิ่มไม่ได้งั้นคุณภาพในช่วงที่เรานั่งจะทํายังไงให้มันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวก็มาทบทวนดูทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่ตั้งสติก่อนนะคุณหยมติว๋วเวลาเราไ ป, ไปเจอเรื่องที่มันไม่ดี จะบอกโอ้ยนิสัยเนี่ยฉันก็คิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลับว่าฉันจะเปลี่ยนแม้แต่ปีนี้ก็ยังอยู่ในลิสต์ที่มัน ย, ยังเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะมีความแบบโอ้ยทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้ทําไมไม่มีพลังจิตทําไมแบบจมปลักแต่อยู่เรื่องเดิมๆอะไรที่ตั้งไว้ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็ะจะทําให้เราแบบท้อแท้ทอ้ทอถอย อ, อ่อนกําลังใจไปเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นโดยการตั้งสติขึ้นคือถ้าไม่มีสติเนี่ยเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจมันก็จะแบบท้อแท้ทอ้ทอถอย หมดกำลังใจก็จะมีอคติเห็นสิ่งไม่ดีอยู่เป็นประจําเจอเรื่องที่น่าพอใจเ<ไ>ก็จะลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจไปยกตนข่มท่านไปตีตนเสมอท่านไปทําสิ่งที่ไม่ดีไปเป็นลนัศนงความเพลิดเพลินไปทีนี้จึงต้องตั้งสติขึ้นก่อนตั้งสติขึ้นก่อนโดยที่พูดเมาสักครู่ก็คือใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือหรือว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระกุณเจ้าพระชาประสงค์องค์ไหนที่เรามีความศรัทธาแล้วก็ตั้งสติไว้แล้ว ไหนลองมาพิจรารณาดูสิตามเนื้อผ้าดูสิถ้าปีที่แล้วก็เหมือนกับปีนี้เลยเอาแสดงว่ามันไม่มีการพัฒนาในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเอาดูซิเพราะอะไรเราก็จะพิจรารณาดูตามเนื้อผ้าไปได้แต่โดยที่ไม่มีความท้อแท้ท้อแต่มากําลังใจด้วยจากการที่เรามีสติตั้งเอาไว้นีนน่คือมีเป็นการทบทวนตัวเองอยู่เสมอๆนะว่าเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเราทําอะไรอยู่ไนคำว่าทําอะไรอยู่เนี่ย อะไรนี่คือกุศลหรืออกุศลมากขึ้นลดลงอย่างไรอย่างไร น, นี่ต้องทบทวนตัวเองค่ะก็คือตั้งสติกับทบทวนในฝ่ายกุศลและอกุศลใช่กุศลก็คืออกุศลและอกุศลถ้าบอกเป็นหลักก็คือว่าอาใใ่ในส่วนที่ทํายังไม่มีให้มีในส่วนที่หมายถึง ส, ส่วนดีนะคะยังไม่มให้มีมนะคะแล้วถ้าดีอยู่แล้วนี่ก็ดูว่าจะพัฒนาได้อย่างไรใช่ แต่ส่วนไม่ดีก็ดูว่าอ่าที่ยังมีเหลืออยู่เราจะกําจัดได้อย่างไรส่วนที่ละได้แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่อีกใช่เพราะว่าพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อหนึ่งถูกไหมคะว่าถ้าสติไม่มั่นคงก็จะทําให้เราอาจจะพ่ายแพ้กับนิสัยดีๆที่เคยสร้างมาแล้วได้ดหรือว่าไม่สามารถสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นมาได้ใช่ใช่ใช ท่านพูดเนี่ยดีฉันก็ฟังตามแล้วเชื่อว่าทั้งตัวเองก็มีอยู่แล้วเชื่อว่าคนทั่วๆไปก็อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอโดยความไม่มั่นคงไม่แน่นอนความแน่วแน่ซึ่งในบางเรื่องเราอย่างประคับประคองไม่ได้หรือเรายัางทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ควรจะทําได้ใช่ตัวนี้จึงต้องตั้งสติ ข, ขึ้นนั่นเองซึ่งซึ่งอีกรอบของการพิจารณาเนี่ยตรงนี้ก็ยงติวคือบางคนอาจจะตั้งไว้สิบสอเดือนอย่างเงี้ยได้ไหมปีปีหนึ่งเรามาทบทวนดูซิว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไร น, นีน่ก็เห็นนากธรคิดว่ามันน้อยเกินไปคือมันมันยาวเกินไปค่นะนัคือพระพุทชเจาเนี่ยให้ทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าบัดเนี้เราทําอะไรอยูนะ่เวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยคำว่าเวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยเอาเอาเวลาเท่าไหร่สิบนสะเดือนเนี่ยรู้สึกว่าจะมากเกินไปคือถ้าเราจะมาทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองทุกๆ12เดือนเนี่ยมันมันมันน้อยเกินไปแต่ควรจะต้องทบทวนกันมากกว่านั้นหกนะเดือนก็ยังคิดว่าน้อยเกินไป สามเดือนนี่ก็น่าจะกําลังดีหรือจะให้มันเร็วกวนันอะไรก็ได้แต่ว่า ใ, ในรอบ3มเดือนที่ผ่านมาควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราดีไม่ดีขึ้นอย่างไรแต่บางคนก็ทบทวนทุกสัปดาห์ก็ดีหรือทบทวนทุกรายเดือนก็ได้นในเรื่องของกุศลอกุศลที่มีขึ้นในใจของเราแต่ตรงนี้การที่จะทบทวนตรงเนี้คําว่าทบทวนเนี่ยคือระลึกอยู่ละเป็นสติอยู่ละค่ะนะคะ เพราะนัถ้าจะว่าไปในส่วนที่ท่านพูดถึงเรื่องทบทวนกับเรื่องตั้งสติเนี่ยจะไปเข้ากับสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ประสูนยใจบ้างกันคะอันนี้คือสัมมาวายามะเลยอสัมสมาวายามาคือ น, นี้มีหลายประสูตรนะสัมมาวายาม ะ, ะเนี่ยก็คือตรงหนึ่งละเรื่องของมรแปดใช่ค่ะในความความหมายของคําว่าสติอย่ที่พูดถึงว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดและแม่นานได้อันนี้ก็เป็นอีกประสูตร์หนึ่ง แล้วก็เรื่องที่สามที่ให้ภิกษุเนี่ยพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบบบนี้เราทําอะไรอยู่นี่ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่สาม ว, ว่าเวลาล่วงไปเนี่ยไอ้คำ ว, ว่าเวลาล่วงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าล่วงไปเท่าไหร่กี่นาทีกี่เดือนกี่หรือกี่วันหรือกีป่ปีแต่ต้องมีการพิจารณาอยู่เสมอว่าเราทําอะไรอยู่ในเรื่องของกุศลอกุศลนี้ค่ะที่ฉันก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาพระสูตรเอาคําสอนใดมา พิจารณาวันเวลาที่ผ่านไปอย่างหนึ่งที่ดิฉันนึกไม่ทราบว่าถูกต้องไหมนะคะก็คือทําให้เราเห็นว่าเมื่อมีเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีสิ้นสุดอืเหมือนปีอย่างเงี้ยก็สมมุติขึ้นมามีเริ่มต้นมีสิ้นสุดก็เตือนเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็หมดปีหมดปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทใช่ก็คื อ, คอในเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าจะจะบัญญัติลงไปเลยว่าเอาทุก ทุกเดือนนะคุณต้องมาทบทวนตัวเองหรือว่าทุกวันนะหรือว่าทุกปีเนี่ยไอลักษณะคําพูดที่ฟิกซ์ลงไปเลยว่าต้องเวลานี้เวลานี้เนี่ยก็จะทําให้ธรรมะของท่านเนี่ยไม่เป็นอาการลิโกค <Okay. S 1> ่ะคือบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงปีแล้วเขาจะไปทบทวนเฉพาะรอบปีแล้วมันก็จะไม่ใช่นี่คือเป็นลักษณะของธรรมะแหะที่ว่าจะเป็นอากาลิโก้ <Okay. S 1> แต่จะมีจะมีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องของพระที่เป็นวินัยท่านนั้นเองที่จะกำหนดลงไปชัดเจนตายตัวว่าทุก15วันนี่คือ ใ, ให้มามาพบกันลงอุโบสถจะอเอาเกณฑตรงนี้ก็ได้แต่บาคว่าก็น่าจะได้เหมือนกันทุก15วันนะมาทุบทวนตัวเองหรือว่าจะเอารอบฤ ด, ดูถ้าเป็นฤ ด, ดูฝนก็ทุก3เดือนอย่างเงี้ยน ะ, ะเดือนไปก็ควอเตอร์หนึ่งไปค่ะคือเข้าใจว่าในส่วนของพระนี่ชัดเจน ในพระพุทธศาสนา<ช>ส่วนศาสนาอื่นบางเอิญไม่มีความรู้เชิงลึกนะคะก็เลยไม่ทราบว่าจะมีการทบทวนกันเช่นนี้หรือไม่แต่ว่าในผู้ที่ศึกษาในบางหลักสูตรหรือว่าทํางานในบางที่เดี๋ยฉันเข้าใจว่าก็น่าจะมีวัฒนธรรมขององค์กรหรือว่าของสถาบันที่ให้มีการทบทวนอยู่บ้างในบางแห่งเหมือนกันอืและถ้าจะว่าไปเนี่ยในส่วนบุคคลนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะสมมุติเกิดในครอบครัวเนี่ยอาจจะต้อง มีกฎเกณฑ์ไว้แล้วก็มาทบทวนกันเป็นระยะระยะ<ช>ก็น่าที่จะเข้าหลักของพระพุทธองค์ในเรื่องของการประชุมกันอยู่เนืองๆอะไรทำนองนี้ไห<ช>มคะเ<ช>ข้าไห<ช>มคะถูก ต, ต้องถูกต้องในอย่างใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในความเป็นพระที่จะสามัคคีกันมก็จะประชุมเป็นเนืองนิดให้เกี่ยกับผู้ที่มีอุปสมากอย่างี้นะถ้าเราจะเอาหลักการนี้มาแอพพลายใช้ในครอบครัวของเราเนก็จะเป็นเรื่องของ การให้ฟังผู้ที่มีอายุมากกว่าการให้พบเจอเจอแล้วก็พูดคุยทําความเข้าใจกันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จ ะ, ะเป็นหลักการเดียวกันเพื่อความเจริญไม่เสื่อมทีนี้ในเรื่องของทางสังคมนะคะท่านคะอืในระดับภูมิภาคเลยเนี่ยพอสิ้นปีปุ๊บก็จะก้าวเข้าสู่การที่เราจะต้องปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ของสังคมไทยละของประชาคมอาเซียนด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พูดถึงหลักคิดที่เป็นธรรมะจะเอาไปปรับใช้กับการที่เราจะต้องใช้กฎกติกา ร, ร่วมการเปิดกว้างกันมากยิ่งขึ้นในหลายๆเรื่องนี้จะมีธรรมะพระสูตรไหนบ้างคะที่จะให้ในในเรื่องของการทีเ่เราจะต้องเจอกับคนใหม่ๆใช่ไหมเจอเพื่อนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเจอระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าข้อดีมันก็จะต้องมีข้อที่เราจะเสียมันก็จะต้องมีเนี่ย เพื่ไไ้ไอ้สิ่งที่มันจะดีที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเสียที่จะอาจะจะตามมาเนี่ยเราต้องตั้งสติไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าดีเราก็อย่าให้มันลุ่มหลงเพลิดเพลินไปถ้ามันจะเสียก็อย่าไปขยักขยั้งเกลียดชังจนกระทั่งด่าว่ากันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องตั้งสติไว้ให้ดีก่อนอันนี้คือข้อที่1เลยน ะ, ะทีนี้พอตั้งสติไว้แล้ว เ, เหตุการณ์ใดๆผ่านเข้ามาเราก็ใช้หลักการของเรื่องกุศลอกุศลในการกระทําตอบสนองในสิ่งนั้น ไอ้เรื่องนี้ไม่น่าพอใจไว้เอาถ้าไม่น่าพอใจจะด่าเอานีนจะเป็นมิจฉาวาจานะไอ้เงี้ยฉันอย่าทำเลยให้มีความกลัวความลายต่อบาปพอไม่ทำแล้วทำยังไงคุณก็ก็ทำอะไรที่มันทำไม่ได้ที่มันจะแก้ไขไม่ได้โดยไม่ด่าไม่ว่าไม่ฆ่าไม่ลักแต่ไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแลรทำทำไปใช่ไหมถ้ามีเรื่องที่มันดีๆเกิดขึ้นมาเียเราตั้งสติเอาไว้แล้วเียเราก็ทำในลักษณะที่มันจะไม่เป็นอกุศลอย่างที่ว่าไปี ทํา <Okay. S 1> สิ่งที่เป็นกุศลนะโดยการที่มีการให้มีการแบ่งปันมีเมตตาจิตก็ทําไปนะในให้มีความรุ่มลงเพลิดเพลินมัวเมาไปอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ <Okay. S 1> เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณยมติวมันมั น, ม, นมันมีทุกทุกเวลาอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าปี2องพเป็นปี2 0งพันแล้วคุณเป็นประชาคมอาเซียนนตะ่ตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดการเปลี่ยนแปลง น, นี้เราจะอยู่เหนือจากการควบคุม น, นี้คือมาพูดถึงเรื่องขอหลักธรรมานะค่ะอยู่เหนือจากการควบคุมของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะอยู่เหนือจากการควบคุมตรงนี้ได้อย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่สูงอยู่เหนือได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแดตรงนี้แต่ส่วนเรื่องที่จะวิเคราะห์ว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบ น, นี้นักสังคมเศรษฐกิจนักการเมืองอะไรเขาวิเคราะห์กันเต็มที่อยู่ละธรรมาก็จะพูดในส่วนธรรมาตรงนี้ค่ะงั้นอีกประการหนึ่งดี่ท่เข้าใจว่า ก็คงต้องใช้หลักการเดียวกันเข้ามาปรับเลยไหมคะอย่างเช่นก็จะมีการพูดถึงว่าเขาพยากรณ์กันนะคาดการว่าปวหมัยที่จะมาถึงเนี่ยเศรษฐกิจจะแย่กว่าเดิมอืมจะลําบากกันมากยิ่งขึ้นอืมค่ะคือเรื่องนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคือ ค, ความอนาคตมันยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่แน่นอนเนี่ยคืออดีตนี่มันผ่านไปละสิ่งที่แน่นอนนีคืออนาคตยังมาไม่ถึงนนี้มันแน่นอนนะนะแล้วสิ่งที่แน่นอนตอนนี้ก็คือว่า ถ, ถ้าเราทำเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจเราจะว้าวุ่นถ้าเราทำเรื่องที่ดีจิตใจเราจะสบายให้ฟังเรื่องนี้มาเขาพยานการบางอย่างเฮ้ยมันก็จริงก็เป็นไปได้อาจจะไม่จริงก็ได้เฮ้ยไม่แน่ไม่นอนไม่ทำไงดีวะเอางั้นทำใจให้เราสบายซะก่อนตอนนี้เรื่องนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เรื่องนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ถ้าตอนนี้เรามีศีลถ้าตอนนี้เรามีสติถ้าตอนนี้เรามีเมตตามีปรมิญาณสีนะ3อย่างนะมีศีลมีสติมีปรหิญารสีเนี่ย ถ้าตอนนี้เรามีณนะตอนนี้เนี่ยโอ้ใครจะมาดา่าเราว่าเธอไม่มีศีล <c oughs> ก็ไม่ได้นะเพราะว่าฉันมีศีลใช่ปะแล้วก็ถ้าจิตเรามีเมตตากรุณาบุญญาเตาเบขาเนี่ยจิตใจเราก็สบายนะเออถ้าผบว่าเรื่องที่เขาพูดมามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงแต่จิตใจเราที่มีเมตตาอยู่เนี่ยจิตใจที่เราที่มีศีลอยู่เนี่ยมีสติอยู่เนี่ยเราจะสบายนะเราจะมีความสุขณนะตอนนี้ทันทีเลยแต่แล้วถ้าตอนอนาคต เ, าเรายังรักษาศีลได้มีสติอยู่มีปรเมียนสิ เ, เราก็ยังยังเป็นสุขอยู่นะ นี่คือมันจะเหนือจากการควบคุมของก ร, รมปยากรต่างๆเหล่านี้ได้แต่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรจริงไม่จริงยังไงก็อาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเรามีความดีนะอยู่ตอนนี้เราจะมีความสุขในใจแน่นอนค่ะนะคะเท่ากับว่าเป็นยาครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ในส่วนของสติที่ท่านว่าใช่คะคือตั้งสติก่อนตั้งสติแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ให้พิจารณาว่าอย่างไรเราต้องทําแต่สิ่งที่เป็นกุศลใช่อย่าทําในสิ่งที่ไม่เป็นกุศลใช่ใชและในกรณีที่ใครเข้าทํานายให้เราเกิดวาดวาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าพูดกันหนาหูนี้ก็ขอให้มีศีลมีสติแล้วก็ใช้หลักตรงวิหารสี่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถูกต้ตองอันนี้หลักการตรงนี้เอาม า, มาจากเรื่องไหนการก็เอามาจากสองเรื่องร่วมกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของที่ประสัติที่พระพุทธเจ้าได้พูดกับชาวกะลามะ แต่ชากรมาเนี่ยที่เขามีข่าวว่าเออทำไมศาสนาองค์นี้นก็ว่ายอย่างหนึ่งศาสนาองค์นั้นก็ว่ายอย่างหนึ่งสองคนนี้พูดก็ตรงข้ามกันเลยเราจะเอาอันไหนก็แน่ถึงจะถูกแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้เอาสักอันหนึ่งเลยบอกหลักการตรงนี้เท่า น, นั้นเองเน่บอกหลักการตรงนี้ว่าถ้าคุณมีศีลหลักการก็คือพรหมิหารสี่แต่มีศ<ช>ีลมีพรหมิหาร4ีคุณสบายใจแน่นอนโดยไม่ต้องพูดว่าหมอดูคนนี้เขาใช้หลักการอะไรดูคุณทรัพยากรนี่ก็จบสูงจากที่ไหนก็ตามอนัญโยไว้ก่อนเลย แต่ถ้าเรามีหลักการตรงนี้เราจะสบายใจอันนี้คือ ค, คือส่วนที่หนึ่งน ะ, ะในส่วนที่สองเนี่ยก็จะมีเอามาจากอีพจน์สูตรหนึ่งที่ชื่อว่าภาษานที่กัดสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงว่าถ้าจะมีคนมาโจดอะว่าหลักการในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรอก็ไม่เที่ยงนะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงบอกว่ามีแต่ความไม่แน่นอนสอนอย่า ง, างนี้แต่ถ้าจะมีคนพูดอย่างนี้ก็ต้อง ตอบก็ไปว่าไม่ใช่หลักการเนี่ยแน่นอนหลักการที่แน่นอนมีนี่คือเรื่องของการที่ให้มีสีมีสติพวกนี้เป็นหลักการที่แน่นอนหลักการาที่แน่นอนคือสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้หลักการแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนแต่เราจะพูดอย่างนี้เพื่อที่จะไม่เชื่อเขาอะไอ้คำพูดอย่างเงี้ยมันจะใช้ไม่ได้แต่หลักการที่แน่นอนอย่างเนี้ยที่พูดไปเนี่ยมีอยู่นี่คือเรื่องที่2ค่ะนะคะก็คือหลักคือหลัก หลักการคือหลักการถูกไหมคะใช่หลักการนี้ทำไมถึงก็ทําได้ไงปฏิบัติได้หลักการเหล่กกานี้ค่ะอทีนี้ท่านได้กล่าวเยอะนะคะเกี่ยวกับกุศลและอกุศลบางท่านก็อาจจะต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้นไปอีกเราพูดบ่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งคะจะเข้าใจอย่างละเอียดถ้าอย่างที่ฉนันยจกคุณคําว่ากุศ ล, ลกรรมมาบทที่ท่านกล่าวเนี่ยกุศลกรรมมาบทกับกุศลท่วนๆท <ๆ S 1> ี่ท่านกล่าว เหมือนกันหรือไม่เป็นเป็นอันเดียวกันถูกต้องรนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของกายอยู่สามอย่าง ค, นะคือการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติดในการมอันนี้เป็นอกุศลตรงกันข้ามกันแล้วก็เป็นกุศลนี่คือกายสามอย่างส่วนวาจาก็มีสี่อย่างด้วยกันนั่นก็คือพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันนี่คือสี่อย่างทั้งกุศลแล้วก็ คกุศล <Okay. S 1> ส่วนเรื่องของทางใจก็มีอีก3อย่างก็คือความเพ่งเล็งคื อ, อความเพ่งเลงเนี่ยคืออภิชาความเพ่งเลงว่าทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราข้อที่2คือความพยาบาทความพยาบามนี่คือหมายถึงคิดอาฆาตคิดบังร้ายคิดให้เขาชิบหาย <Okay. S 1> แล้ว้อที่3ก็คือมิจฉาทิฏฐิอันที่3อันนี้ก็จะตรงกันข้าม ก, ก, กันกับความที่ไม่เพ่งเลงทรัพย์ของคนเดินการที่มีจิตเมตตาและการที่มีสัมมาทิฏฐิ ค่ะมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิในกุศลกรรมกับอกุศลกรรมบทนี้เหมือนกันกับสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิในอริมารมีองค์8ไหคะเหมือนกันอยู่ซึ่งในมารมแปดนี้จะแยกเป็น2องอันนะคุณยมตีคือส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกกับส่วนที่อยู่เหนือโลกแต่ส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกเนี่ยก็เช่นว่าบาปมีบุญมีพ่อแม่มีพระพุทธเจ้ามีเทวดามีพวกนี้ อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเะนี่ยสัมมาทิฏฐิที่เหนือโลกขึ้นไปก็คือเรื่องของอริยสัจ4ี่อันนี้จะเป็นหนทางเพื่อไปสู่นิพพาน ล, ละเรื่องทุกสมุทัยนี้รธมรกคุณเข้าใจให้ถูกต้องอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในนิยยะที่สองยังมีสองนิยยะค่ะก็เป็นหลกัหลกๆ น, นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเรารู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าจะให้เรามาพูดเป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ยพูดไม่ได้แต่ถามว่ า, วาเวลาที่ เรามีโอกาสที่จะถ่ายทอดข้อมูลนี้ที่เราเชื่อว่าดีให้กับใครแล้วเข้าให้เขาฟังอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยเดีคิดว่ามีความรู้ติดเอาไว้ก็ดีอชนิดที่เป็นหลักการนะคะจะได้พูดจําแนกเป็นข้อๆไปค่ะในในเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยค่ะส อ, สองอย่างที่แบ่งเป็นส่วนๆเนี่ย อ, อทีนี้ถ้าบอกว่าเรามาดูมันก็จะเป็นเรื่องของกายวาจาใจนั่นคือสิ่งที่เราสามารถจะกระทำได้ทางกายทางวาจาทางใจ ส่วนที่สําคัญคือเรื่องของใจที่จะไปควบคุมเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของวาจาอีกทีหนึ่งทีนี้บางทีใจเราเองควบคุมไม่ได้เราฝึกบังคับกายกับวาจาเพื่อที่มันจะมาฝึกควบคุมใจอันนี้ก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยถ้าเรามาดูที่คําสอนในส่วนที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็จะมีที่ว่าให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมให้ทําสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์และมี3อย่างตรงนี้ ละอักกุศลทำกุศลแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำไมทำไมจะต้องมีส่วนที่เป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์คือมีการละอกุศลแล้ใช่ไหมทำกุศลนะที่เราพูดกันตรงนี้แล้วส่วนที่สามเนี่ยที่ต้องเน้นย้ำตรงนี้คือทำจิตให้บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ละอักกุศลเนี่ยคือคุณก็ทำกุศลอยู่แล้วถูกปะอย่างเช่นว่าคุณไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ละอักกุศลอยู่แล้วแล้วคุณก็มาให้ทานเออนี่เป็นการทำกุศลคุณไม่พูดโกหกไม่ด่าว่ากัน แต่ว่าพูดจาให้มีความสามัคคีกันอันนี้คือเป็นการทากุศลเอามาันก็ก็ดีแล้วนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทํากุศลไปแล้วเราเผลอสติเนี่ยบางทีเราไปลุ่มหลงติดยึดในกุศลเราทำเหล่านั้นได้อยเช่นบางคนให้ทานก็ลุ่มหลงในทานตัวเองคือเมาบุญอ่ะว่า ง, ง่ายๆนะคือละบาปแล้วใช่ไหมสร้างบุญใช่ไหมแต่ว่าดันไปเมาบุญนะเมาบุญหลงบุญโอนี่ก็ ก็จะเป๋เหมือนกันพิจาเหมันกันก็จึงต้องมีขั้นที่3ก็คือทําจิตให้บริสุทธิ์หมายความว่าบุญนั้นเราก็ไม่ยึดถือไว้อย่าอย่าให้มันไปเมาในสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยอย่าเมาอย่าไปยกตนข่มท่านอย่าตีตนเสมอท่านอย่าคิดว่าคุณนึ่งเขาไม่ดีเราดีคนเดียวหรือว่าอย่าเมาในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนั้นซึ่งมันมันเมาได้ถ้ามันยังมีลักษณะของทางกายวาจาใจรูปเป็นานาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณพวกนี้ถ้ามีความยึดถือเข้าไปอยู่มันก็จะเมาได้ บริจาคก็จึงเน้นว่าในขอ้อรีสานทาจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาทบทวนในการมาทบทวนว่าเอ๊ะเ อ, ะอกุศล์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราป้องกันไว้อย่าให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทําให้เรามีการทบทวนดูอ๋อใช่ฉันทําความดีมีอยู่ใช่แต่ว่าฉันเดินไปเมาในความดีนั้นแต่ถ้าเราตั้งสติไว้ดูเนี่ยเราจะสามารถทบทวนตัวเองดูได้ว่ามันมีอกุศลที่มันบวกมากับกับความดีที่มันเราเพิ่มขึ้นบางทีก็มีอยู่เนี่ย เราจะต้อมาทบทวนตั้งสติดูให้ดีแต่ก็เป็นกระบวนการที่จะทาจิตให้บริสุทธิ์อยู่ในเรื่องของสัมมาวายามะเนี่ยมันจะอยู่ในตัวนั้นของมันค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แยบขายมากนะคะยังคิดว่าบางทีเราคิดไปไม่ถึงในส่วนที่ว่าเอ๊ะกระทำกุศลแล้วมีอกุศลติดมาด้วยหรือใช่ใช่ค่ะก็คือตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคุณโยมติวถามแล้วเพื่อให้แยกสองส่วนใช่ไหม คือถ้าแยกสองส่วนมันจะไม่ไม่สมบูรณ์นะมากก็ต้องว่าต้องมีทําให้บริสุทธิ์ตรงนี้ด้วยแต่กระบวนการตรงนี้มันไปอยู่ในเรื่องของที่เราตั้งสติไว้ยอยู่ในเรื่องของสมาวิยามาอยู่แล้วค่ะท่านปอดค่ะท่นปอนก็ค่อยๆตามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราได้ฟังาการพูดถึงว่าคําสอนในช่วงของเทศกาลวันมาฆบูชาใช่ไหมคะท่านที่พูดถึงว่า ให้ทําความดีละความชั่วทําจิตให้ผ่องแพร่อันนี้ก็คือเทศกาลมคธบูชาค่ะที่มีภิกษุมาประชุมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ แ, กแสดงโอวาทปาติโมกอันนี้ค่ะเหมือนกับว่าหากเราฟังแค่หัวข้อว่าทําความดีละความชั่วทําจิตใจให้ผ่องแพรวเนี่ยบางทีเราก็นึกไปไม่ถึงเหมือนกันว่าอ๋อนั่นอยู่ในส่วนของการไม่เข้าใจในเรื่องของการทํากุศลจึงยังมีอกุศลติดอยู่นั่นเองอ จึงต้องมามีการพูดถึงว่าทาจิตของเราให้ผ่องแพ้ว ใ, ในสังคมของเราเนี่ยเราจะพบอย่างนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะสรุปในบางกรณีว่าเป็นการติดดี่ะอืมบางคนก็เลยคิดว่าดีต้องดีอย่างฉันอ ย, อย่างนี้ถือว่าเป็นเม า, มาการเมาเช่ใช่ใชค่ ะ, ะทีนี้คำว่าเมาอะค่ะที่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับคำสอนเรื่องโมหะ ที่เป็นกิเลสอย่างหนึ่งอ mm hmm. ความเมาอย่างนี้จัดเข้าในโมหะถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็ อ, อพระพุทธองค์ได้ตรัส mm hmm. ว่ากิเลสมหะจะถอนยากอย่างนั้นหรือไงคะใช้คําว่าอะไรมงถูกต้องมีโทษมากแล้วก็คลายชา้าโทษมากคลายชา้าอันนี้คือเปรียบเทียบเป็น reference กับราคาแล้วก็โทรศัสนะค่ะคือที่ mm hmm. ราคาเนี่ยมีโทษน้อย คลายช้โาโทษมากคลายเร็วแต่ที่ว่าโทษน้อยหรือว่าคลายเร็วคลายช้าเนี่ยน้อยหรือช้าหรือเร็วหรือมากเนี่ย ค, คือคือไม่ใช่ว่ามันมันไม่มากนะอย่างอย่างราคาถ้าบอกว่าโทษน้อยไม่ใช่ว่าโทษมันน้อยนะแต่คือโทษมันมากอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับโทสะและโมอะแล้วมันน้อยกวา่าแต่โทษมันมากนะกิเลสเนี่โทษมากหรืออย่าไปบอกอย่าไปคิดว่าโทษมันจะน้อยคื่กิเลสทุกอย่าง โ ท, โทษมา ก, มาก ห, มหมดมากหมดมากแต่ว่าถ้าเป็นโมหะเนี่ยจะคลายช้าถ้าเป็นโทสะจะคลายเร็วออใช่ไหมคะถ้าราคาเองถ้าเปรียบเทียบกับโทสะและโมหะราคานี่จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าราคาเนี่ยโทษน้อยคลายช้าโทษน้อยนะโทษน้อยแต่ที่บอกว่าโทษน้อยเนี่ยคือเป็น reference คือเป็นเปรียบเทียบเป็นเป็นสัดส่วนสัมพัทธ์กันกับโทสะและโมหะไม่ใช่ว่าตัวมันโทษน้อยนะเพะ ราคาโทรศัท์มือไม่ว่าอะไรโทษมันมากหมดแต่เธออยู่ลําพังในมากหมดใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ไหมดแล้วราคาเนี่ยจะน้อยกว่าค่ะดังนั้นก็จึงไม่ต้องบอกว่าโอ๊เงั้นฉันหนักไปทางราคาก็ยังชั่วเอออย่ไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะอไม่ใช่ว่าเธอไปถ่ายถอนก่อนละกันเพราะเธอในมันติดดีอืไปเอาความติดดีของเธอออกซะให้หมดละไปไปขัดขูดกล่าวความ รุ่มหลงใช่ไหมครัใช่บบ ค, ความรุ่มหลงคุยคุยธรรมะเดี๋ยวฉันว่าไม่มีวันจบสิ้นในหัวข้อการคุยใช่ก็จะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าจะมาพูดกันต่อไปในวันพรุ่งนี้เพราะว่าในช่วงเทศ ก, กาลปีใหม่เนี่ยก็จะมีการอวยพรกันค่ะการอวยพรแบบไหนอันนี้วันนี้เราพูดถึงการทบทวนไปแล้วนะ ว่<ม>าส่วนท้ยพิการเราจะทบทวอะไรบ้างเรื่องราควรจะตั้งสติว่าอย่างไรอนันนี้ในช่วงที่เขามีการอวยพรกันเนี่ยเราควรจะใช้คําอย่างไรหลักการยังไงถึงจะถูกต้องในทางคําสอนนี้เราจะมาพูดกันในายะเอียดในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่รู้จะอวยพรอย่างไรดีรอรอไว้ก่อนก็ได้นะคะเผื่อจะได้การอวยพรที่สอดคล้องกับธรรมะของระาศาสดาเฉยหวัน นะคะก็นมัสการของพระคุณท่านพิบูญเอาไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะในการสนทนาธรรมวันสมท้ายปีเก่าปี 2,558 ดิฉันว่าปีไม่เก่าเราเก่านะคะคือจะอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เอาไว้มาติดตามรับฟังรายการสันสนีส น, น, นะคะกันในวันปีใหม่คะ่ะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ของปีใหม่เลยนะคะพบกับท่านผู้ฟังก่อนหน้าหลายๆคนก็แล้วกัน ไปพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะคะก็อย่าอยู่ในความประมาทกันทุกๆคนจะได้ไม่มีอุบัติภัยที่ไม่ควรเกิดเกิดขึ้นนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะพูทวนสวัสดีค่ะ